เพื่อพากันตั้งใจให้ดีสำรวมจิตใจเข้ามาภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกอันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นการภาวนา ไม่ใช่เป็นเรื่องส่งใจออกนอกเป็นการน้อมสติเข้ามาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ยอยู่ภายในผู้ที่ไม่ภาวนามีแต่ส่งใจออกไปข้างนอกคิดส่งไปหาแต่เรื่องราวต่างๆที่ล่วงแล้วมา ตนได้ทำอะไรมาตนได้พูดอะไรมาก็เก็บเอามาวิตกวิจาร์นตนได้เกลียดคนคนใดมาก็ดีได้รักคนใดมาก็เก็บเอาเรื่องของคนนั้นมาวิตกวิจาร์นอยู่เรื่อยไป เมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็สงบลงไม่ได้เพราะฉะนั้นะต้องพยายามสกัดกัน้นความคิดความนึกอันนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกทีเดียวแหละสกัดกั้นมันก็อาศัยการตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละ ก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อ น, นั่งเรียบร้อยแล้วหายใจเข้าก็กาหนดรู้หายใจออกก็กาหนดรู้กาหนดรู้ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกทำได้อย่างนี้ จิตมันจะไม่คิดพุ่งไปทางอื่นถ้าเผลอเผลอลืมลมหายใจเข้าออกจิตมันจะคิดส่งออกไปข้างนอกทันทีดังนั้นเพื่อไม่ให้ใจมันพุ่งออกไปข้างนอกจงพยายามตั้งสติให้มั่นให้เข้มแข็ง อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ได้ผู้ที่หลงไหลไปตามสัญญาวิปลาสต่างๆโมนี่มันล้วนตั้งแต่ส่งจิตออกไปข้างนอกทางนั้นแหละส่งกระแสจิตนั่นนะออกไปข้างนอกความคิดความนึกต่างๆสัญญา อารมณ์ต่างๆนั้นท่านเรียกว่ากระแสะจิตต้องให้ศึกษาให้เข้าใจเมื่อรู้แล้วก็ไม่ส่งกระแสะจิตออกไปข้างนอกมาเพ่งอยู่ภายในเพ่งความรู้อันนั้นนะนั่นนะความรู้อยู่ตรงไหนก็เพ่งเข้าไปตรงนั้นนะ ความรู้อันนั้นแะคือจิตความคิดมันก็ออกมาออกมาจากความรู้นั่นแหละส่วนมากนั่นน่ะมันสติไม่ได้ยังเข้าไปหาความรู้อันนั้นถึงว่ายังเข้าไปก็ชั่วขณะเดียวหนึง่งมันไม่ยับยั้งอยู่มีแต่ระลึกไปทางอื่นซะ ระลึกเข้าไปหาจิตหน่อยเดียวนึงแล้วก็ระลึกไปทางอื่นอย่างนี้นะจะให้จิตมันสงบได้อย่างไรอะ่ะเมื่อร ะ, ะลึกเข้าไปถึงจิตรู้จิตแล้วก็ยับยังอยู่ในจิตนั่นสติไม่ระลึกไปทางอื่นการกาหนดรู้จิต แล้วก็เอาจิตรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ก็ต้องทำกันอย่างนี้สติเข้าไปห้ามจิตไม่ให้คิดให้มันยับยั้งอยู่ในปัจจุบันในวันนี้ก็เอาจิตนั่นแหละกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้น ทำได้อย่างนี้จิตมันจะไม่คิดไปทางอื่นมันจะหยุดคิดลงล้วพยายามอย่างนี้แหละเบื้องต้นนี่นะเพราะแต่ไหนแต่ไรมาจิตนี่มันไม่เคยสงบอยู่ได้พอนาทีหนึง่งมีแต่มันคิดถึงนอนหลับไปมันก็คิด อันมันฝันไปมูนั่นะมันคิดแหละแต่ว่าคิดโดยไม่รู้ตัวไม่มีสติคิดลอยๆไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นส่วนมากมันจึงจำความฝันไม่ค่อยได้หรือว่าในขณะที่ฝันไปอยู่นั่นเช่นอย่างว่าไปเจอพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ดี ไปเจอคนที่รู้จักกันมาแต่ก่อนที่ตายไปแล้วก็ดีแทนที่จะถามถึงว่าตายไปแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรไม่มีถามกันเห็นกันก็เห็นไปอย่างนั้นแหละถามก็ถามเรื่อยเปื่อยไปโดยไม่ถูกยุดหมายอย่างนี้เรียกว่าคนนอนหลับไปแล้วนะั่นมันยังคิดอยู่ แต่ว่ามันคิดแบบไม่มีสติเรื่องมัน่ะในนี้ถ้าว่าผูใ้ใดทำจิตให้สงบได้แนบเนียนเนีย่ยไม่ค่อยมีฝันหลับไปก็ดีเงียบไปเลย <c oughs> นี่ให้ให้บากันเข้าใจด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละ คนเราจรึงได้เป็นทุกข์นั่นก็เพราะว่าทุกข์เพราะความคิดตัวเองนี่เนะียคิดไม่หยุดไม่ยอ่อนมันก็เกิดความราคาญขึ้นไม่ไม่ไม่ราคาญเปล่าๆวานี่เมื่อคิดถึงสิ่งใี้มากๆเข้าไปแล้วมันก็อยากได้สิ่งนั้นขึ้นมาต้องดิ้นไปแสวงหา บางอย่างไม่ควรนะ่ะไม่ควรที่จะไปอยากได้มันมันก็อยากได้เพราะมันไม่รู้มันมันมันไม่รู้สึกตัวในขณะนั้นนะ่ะมีแต่ความอยากมันท่วมท้นจิตใจดังนั้นคนเราจึงดินไปเช่นอยากทำตนเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้นะ รักสวยรักงามเห็นอะไรเพราะเป็นที่ชอบ อ, อกชอบใจก็รักไปหมดเลยจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามเป็นคนก็ตามอี่นี้นถ้าเป็นวัตถุสิ่งของอไปอยากได้ของที่มีราคาแพงๆของดีๆประณีตเงินมีเท่าไหร่ก็รวมเอาไปซื้อเอามา เงินมีเพียงเล็กน้อยก็อดทนไม่ไหวเอาไปซื้อของที่ตนรักตนชอบใจนั่นมาอ่บาบนี้ก็เดือดร้อนในเบื้องหลังไม่มีเงินจะใช้จ่าย <c oughs> ถ้ารักผู้รักคนอย่างนี้ส่วนมากมันก็รักเพศกลงกันข้ามเงินทองมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเอาไป รนปลื้คู่รักเสียหมดถ้าหากว่าไปเกิดรังเกียจใครคนใดคนหนึ่งมาอย่างนี้ก็เก็บออกมาคิดอยู่ในใจวิตกวิจาร์เท่าไหรมันก็ยิ่งเกลียดชังอย่างใหญ่โตขึ้นมาจเลยกลายเป็นความพยาบาทไปก็มี เมื่อมันคิดไม่หยุดมันก็ไปหาทางทะเลาะกับคนนั้นไปหาทางเบียดเบียนคนนั้นได้ก่อการทะเลาะวิวาทกันทําร้ายซึ่งกันและกันลงได้ก็เพราะความคิดนี่แหละมันไม่หยุดยัง้งความคิดระ ง, งับความคิดไม่ได้อถึงกับได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนเรานี่นะถ้ามันระ ง, งับความคิด โกรธเกลียดกันลงได้อย่างนี้มันไม่ทําร้ายกันได้ถ้ามันระ ง, งับความรักความใคร่ดังกล่าวมานั่นได้มันก็รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายเงินทองก็ไม่ได้ใช้จ่ายสุรุยสุรไยก็ไม่เดือดร้อนในการครองชีพแล้วก็ ไม่ได้ใช้จ่ายไปในทางเจ้าชู้มายาเท่าไรเพราะเหตุว่ามันระงับความรักในตัวบุคคลนั้นลงได้ <c oughs> อันนี้นะพ่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของตัวเองว่าจิตใจของตนเองเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหม ถ้ามันเป็นละรีบพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาอย่าไปปล่อยใจส่งใจให้ไปตามอารมณ์เหล่านั้นต้องรีบฝึกตนเข้าถ้าปล่อยใจไปนานๆเข้าไปแล้วมันฝึกไม่ได้เลยห้ามไม่ฟังแล้วคนที่กลายเป็นคนชั่วไปอยู่ในโลกนี้ ก็เพราะมันห้ามจิตตัวเองจากเรื่องชั่วต่งตางๆเหล่านั้นไม่ได้นั่นแหละเพราะว่ามันปล่อยให้มันทะเยอทะยานอยากได้ไปไม่ไม่ยั่งมันเลยไม่หยุดยั่งมันเลยความอยากอันนั้นนะเมื่อสะสมมันม า, มากพอแล้วมันก็มีอิทธิพลเต็มที่ บ, บังคับจิตใจให้ใช้กายทําใช้วาจาพูด ไปในทางที่ไม่ดีไม่งามต่างๆนั้นเมื่อเมื่อมาพิจารณาดูอย่างนี้แล้วจึงสรุปลงได้ว่าทุกคนนี่ควรฝึ ก, กจิตใจของตัวเองโดยแท้ถ้าผู้ใดไม่คิดฝึกใจตัวเองแล้วก็ผู้นั้นจะต้องเป็นคนเจ้าทุกข์ไปจนตลอดชีวิตนุ่น เป็นบุคคลที่ฆ่าตัวตายหมู่นี้นะล้วนแต่มันระ ง, งับความคิดอันไม่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆนี้ไม่ได้ปลอยให้จิตคิดไปจนลืมเนื้อลืมตัวเมื่อมันลืมตัวไปว่าเข้าไปแล้วมันย้อนกลับมาหาตัวเองไม่ได้สตินั่นนะมีแต่มันส่งไปหน้าเรื่อยไป มันกลับเข้ามาในมาควบคุมจิตอันนี้ไม่ได้เลยนั่นระวังไว้ให้ดีผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่อย่าให้มันขาดทุนเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเราฝึกตนก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละ เพื่อมาให้ตกไปเป็นคนชั่วการฝึกตอนนี้ยกจิตใจเขาตนขึ้นสู่ความดีให้มันสอนให้มันชอบกุศลคุณงามความดีนี่ทีแรกก็ฝึกให้มันสงบลงไปนั่นละก่อนนะเมื่อมันสงบลงไปได้แล้วก็สอนตัวเองนี่แหละ ให้ชอบความดีชอบบุญชอบกุศลให้เกลียดความชั่ววันนี้เนะี่ยริงไดเป็นความชั่วแล้วใหท้ทำความเกลียดมันไม่ปรารถนาที่จะทำมันต่อไปถ้าหากว่าไม่สอนตนอย่างว่านี่แล้วมันก็เกลียดความชั่วแต่เวลาจิตสงบอยู่เท่านั้น พอจิตถอนออกมาแล้วมันก็กลับไปชอบมันของเกา่าอ่าเพราะเหตุว่าไม่ได้ถอนรากของกิเลสเหล่านั้นออกไปจา ก, กจิตเพียงแต่ไปข่มขมมันไว้ชั่วคราวเฉยๆการที่เราใช้ปัญญาสอนจิตให้ละสิ่งที่ควรละนี่ น, ะนี่ เราพยายามถอนรากของกิเลสต่างๆออกจา ก, กจิตใจให้เข้าใจถ้าว่าไม่ใช้ปัญญาสอนแล้วจิตนี่มันไม่เข้าใจนี่มันไม่รู้อ่ะมันไม่ทราบซึ่งถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญานั้นชี้แจงให้จิตนั้นเห็นให้จิตนั้นรู้ เหตุผลเรื่องนั้นๆตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็ละได้สิ่งได้ที่ควรละนะเออเป็นจริงอย่างนี้ควรละแท้แท้อันนี้เป็นความชั่วแท้แท้ถ้าหากว่าขืนยึดถือไว้มันจะต้องกลายเป็นความชั่วทําตัวให้มัวหมองจริงๆทําทำตนให้เป็นทุกข์จริงจริ มันมันรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ละได้แล้วจะไปยากอะไร อ, อ่ะมันยากแต่มาสอนใจตัวเองนี่แหละดังนั้นทุกคนให้รู้จักสอนใจตัวเองให้เป็นการที่มันจะสอนใจตัวเองได้ก็เพราะมันมาฝึกเพ่งจิตให้สงบเบื้องต้นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละจะต้องขอย้าอีก ไม่เฉะนั้นเราจะไม่จํากันจําหลักไม่ได้ถ้าใจยังคิดใส่ส่งไปมาต่างๆอยู่นี่เราจะมากําหนดละกิเลสอะไรต่ออะไรไม่ได้เลยอย่าไปกําหนดละมันนะเวลาอย่างนั้นนะมีแต่เพ่งอย่างเดียวอ่ะเพ่งแล้วก็คมจิตลงไปนั่น ทำอ่อนแอไม่ได้การฝึกกิดนี่การเพ่งนี่หมายความว่าต้องทำใจให้เข้มแข็งน่ะดังนั้นจึงเรียกว่าเพ่งอพอเพ่งเข้าไปมันจะต้องพบอุปสรรคภายในนี่นะมันต้องไปต่อสู้กับความคิดแหละเอาฝ่ายหนึ่งจะหยุดคิดฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมหยุดมันจะคิดนั่น ก็ต้องไปต่อสู้กันนะในระหว่างกับผู้ผู้ที่อยากคิดกับผู้ที่ไม่อยากคิดนั่นแหละผู้ไม่อยากคิดก็คือผู้ที่อาศัยสติความระลึกได้นั่นแหละระลึกว่าการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปไม่ดีไม่มีปัญญา เดี๋ยวก็เห็นผิดเป็นชอบไปเดินทางผิดไปจะได้ประสบความทุกข์อย่างรุนแรงเนี่ยสติระลึกได้อย่างนี้ล่ะนั่นแหละสัมปชัญญะมันก็กำหนดเพ่งเข้าไปหาจิตแล้วันนี้เพื่อไปรู้จิตไปควบคุมจิตไว้ภายในไม่ให้มันวิตกวิจารไปในเรื่องราวต่างๆ เพ่งอยู่ภายในนี่เมื่อเพ่งเมือมากเข้าไปมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นมันจะเกิดความสว่างเหมือนอย่างเราเพ่งดูวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นน่ะมันยังเห็นเนี่ยสิ่งที่เราเคยเห็นมาเคยจํามาแต่ก่อนนู่นมาหนี้ภายหลัง ลืมเลือนไปเสียอย่างนี้นะพอนึกขึ้นได้เพ่งไปนี่มันกะเห็นวัตถุสิ่งของอ น, นั้นเห็นสถานที่นั้นนั้น่แมแจ้งขึ้นอย่างนี้นะ <c oughs> บัด น, นี้เราไม่เพ่งไปข้างนอกแล้วเรารวมสัญญานั้นเข้ามาเพ่งอยู่ภายในเพื่อให้เห็นดวงกิจอันเนี้ย เพื่อมารู้ความรู้อันนี้เพื่อให้สติมันยังเข้าไปถึงผู้รู้อันเนี้ยดังนั้นเมื่อเมื่อเรารวบรวมสัญญานั้นเข้ามาเพ่งอยู่ภายในนี่สัญญานี่มันก็มาสว่างอยู่ภายในนี่เห็นร่างกายอีกด้วย เห็นจิตคือความรู้สึกนั้นอีกเห็นทั้งสองอย่างแต่ว่าเห็นจิตเนี่เห็นแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีรูปร่างอะไรแต่เห็นกายนี่ก็จะเห็นอวัยวะภายในต่างๆเมื่อเราเพ่งเข้าไปนานๆนะเห็นตับเห็นปอดเห็นไส้เห็นพุง เห็นหัวใจเห็นกระดูกสันหลังเห็นกระดูกสีข้างอะไรหมูนี้นะเมื่อเพ่งบ่อยๆเข้าไปมันจะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในนี่ร่างกายนี้ได้ถ้าไม่เพ่งบ่อยๆอย่างนี้นะมันจะไม่เห็นนะ ไม่เห็นร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่เห็นจิตด้วยถ้าไม่เห็นร่างกายก็ไม่เห็นจิตมันมืดนี่เมื่อไม่เพ่งเข้าไปแล้วมันมันมืดภายในกายภายในใจนี่เป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ่ะอย่าไปท้อถอยในการเพ่งการทำสมาธินี่ ถ้าพูดอย่างสั้นๆก็อย่างว่านั่นแหละคือการมาเพ่งจิตนี่แหละให้สงบลงไม่มันคิดนี่แต่ว่าเราแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ยึดเอากรมาฐานอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์มันมันจึงหยุดคิดลงได้จิตนี่นะอันคนผู้มีจิตฟุ้งซ่านนี่มันต้องยึด ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเพ่งเป็นเครื่องกำหนดรู้ mm. เมื่อจิตนี่มันรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นี้มันจะไม่คิดไปทางอื่นแล้วะเนี่ย mm. ถ้ามันไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ แน่นอนแหละมันจะต้องคิดไปทางอื่นดังนั้นอย่าพากันไปสงสัยอย่างอื่นกรรมฐานนั่นนะกรรมฐานข้อนี้แหละสำคัญมากจะทำใจคนให้สงบลงได้ข้ออื่นก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่ามันนานมันนานให้จิตสงบลง การเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่จิตสงบลงง่ายผู้ใดไม่ทำดูไม่รู้หรอกผู้ใดทำดูจึงรู้ได้มาฮเพราะอาศัยที่เราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละใจจึงหยุดคิดเมื่อใจยหยุดคิดแล้ว มันยึงเพ่งเห็นอวัยวะภายในของร่างกายดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยถ้าจิตยังไม่หยุดคิดยังไม่ส ง, งบแล้วมันจะมาเพ่งดูร่างกายนี้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นแน่นอนเลยนั่นนั้นแหละควรพากันจําอุบายวิธีทําใจให้ส ง, งบลงดังกล่าวมานี่แหละให้ดี จำให้ได้แล้วเอ า, เอาไปลงมือทอาจริงๆนี่ไม่ใช่จำไม่ใช่เฉยนั่งสมาธิเข้าไปแล้วเพ่งจริงๆเช่นนั้นมันยิ่งเป็นไปได้การทำความดีต่างๆในพุทธศาสนานี่ก็เพื่อระงรับตัณหาความทะเยอทยานอยากในกจิตใจ นี่แหลให้มันเบาบางออกไปจากโวงกิดนี้การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่มีแต่จะมานั่งสมาธินี่อย่างเดียวหรอกความจริงเนี่ยมันก็ทำความดีอย่างอื่นทั้งทางกายด้วยทางวาจาด้วยนอกจากการทำความดีทางใจ ดังกล่าวมานี้แล้วนะ่ะเช่นอย่างการให้ทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําความดีจะไม่ดียังไงล่ะเราสละของเราให้แก่ผู้อื่นไปผู้อื่นได้รับไปบริโภคแล้วเพื่อนก็มีชีวิตเป็นอยู่ไปได้เช่นอย่างว่าข้าวน้ำโภชนาะอาหารอย่างเนี้ยหรือว่าแมธสละเอื้นท้อง ต่างๆเข้าของต่างให้ไปมังก็เอาไปแลกเปลี่ยนปัจจัยสี่นี่หละมาบำรุงอัจภาพร่างกายนี่เงินทองก็ดีไปแลกเปลี่ยนอาหารบ้างแลกเปลี่ยนผ้านุ่งผ้าห่มบ้างเอาไปสร้างที่อยู่ที่อาศัยบ้างเอาไปซื้อยุกซื้อยา มารักษาโรคเวลาโรคภัยเกิดขึ้นในร่างกายบ้างอัตภาพร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสีน่นี้ถ้าขาดปัจจัยสี่นี้บำรุงแล้วร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อร่างกายตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะอะไรมาทำความดีแล้ววนันนี้จะอะไรมาฝึ ก, กจิต เมื่อจิตนี่ไม่ได้อาศัยร่างกายนี่มันจะมานั่งสมาธิก็ไม่ได้จ ะ, จะมาเจริญปัญญาวิปัสสนาก็ไม่ได้เช่นอย่างว่าดวงกิดดวงนี้ไปเกิดกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้นะมันจะทำความดีอะไรได้เราสัตว์เดรัจฉานนะ่ะหลวงพิจารณาดูให้ดีทำไม่ได้นะ มันไม่แน่เหมือนกันแหละคนเราถ้าหากว่าไม่ฝึ ก, กจิตใจอันนี้นะทรงใจไปผูกพันอยู่กับสัตว์สิริฉานตัวได้ถ้าเป็นตัวเมียนะตายลงไปแล้วมันก็จิตวิญญาณนี่อาจไปเกิดกับสัริริฉานตัวนั้นก็ได้คนโบราณเคยมีมาอยู่นี่ เรื่องราวของโคศกเศรษฐีนั้นในอดีตชาติหนหลังเมืองที่เขาอาศัยอยู่นั้นเกิดโรคปัจจุบันคนตายกันเยอะแยะบันที่สองผัวเมียมันมีลูกน้อยคนหนึ่งเลยชวนกันหนีจากบ้านนั้นเมืองนั้นเดินทางรอนแลมไปอาหารการบริโภคนั่นก่อ ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างบางวันก็อดบางวันก็อิม่มก็เดินกันไปอย่างนั้นแหละอันสำหรับลูกน้อยนั่นเปลี่ยนกันอุม้มผัวเหนื่อยแล้วก็เอาส่งให้เมียเมียเหนื่อยก็ส่งให้ผัวมาในนานเข้าถึงตอนถึงวาระของผัวล่ะ หัวเลยนึ ก, กว่าลูกคนนี้เอาไปทิ้งเจ่เถอะเมื่อเราไปตั้งเนื้อตั้งตัวได้มันถักมีใหม่มาคิดได้นี่แล้วก็อุ้มลูกเลี่ยงเลี่ยงเข้าไปข้างป่าข้างทางเอาลูกไปวางไว้ในป่านั้นแล้วก็ตัวกระเดินตามทางไปกับ ทีหลังเมียเมียเลียวหลังมาไม่เห็นลูกก็ถามผัวผัวบอกว่าเอาไปทิ้งไว้ในป่านั้นแล้วฝ่ายเมียนั้นมีนิสัยรักลูกมากร้องห่มร้องไห้กลับคืนไปที่ไหนลูกตายแล้วสามีก็ปลอบใจไม่เป็นไรหรอกหรือเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี่ มันก็จะต้องได้อยู่นั่นแหละลูกเนี่ยก็เดินทางกันไปไปถึงหมู่บ้านหนึ่งแวะเข้าไปก็ไปเห็นบ้านนายโคบานคือเป็นไปเห็นบ้านของคนเลี้ยงวัวแล้วเขาลีดเอานมมันมากินมาขายเป็นอาชีพ ก็แวะเข้าไปขอพักกับเขาคนคนนั้นเขาก็ใจบุญเขาก็ให้พักให้พักแล้วเขาก็ให้อาหารการกินมากินกั น, นในบ้านของนายโคบาลนนก็มีหมาตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งเงนี้นายโคบาล น, นั่นเป็นคนใจบุญน่ะ คนกินยังไงก็ให้สุนัข ก, กินอย่างนั้นอาหารมันข้าวมัทุกปลายาตเป็นอาหารอันปณนีของคนสมัยนั้นก็เอาเข้าวมาัทุกปายาตนั้นไปให้สุนัขตัวนั้นกินด้วยไอ้สองผัวเมียนั้นกินอาหารอยู่ใกล้กันกับแม่สุนัขนั้นฝ่ายสามีนั้นไปเห็นแม่สุนัขตัวนั้นกินอาหารดีๆ เราวิตกในใจแม้หมาตัวนี้มันมีบุญแล้วเกินนะมันได้กินอาหารดีๆเอยเรานี่มันเป็นคนจนนะลําบากลําบนแล้วเกินเรานี่คงมีบุญน้อยนะอไม่มีบุญมากพอคิดอย่างนี้แล้วใจมันก็ไปจดจ่ออยู่กับหมาตัวนั้น ถ้าที่มันไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันร่างกายธาตุขันมันก็อ่อนกำลังลงแล้วก็ไปกินข้าวมาทุกไบยาินั้นจะมากเต็มอัดกล้าเลยมันนี้เพราตกค่ำลงมามันเกิดอึดอัดขึ้นมาในท้องในไส้แล้วไปธาตุมันเผาอาหารไม่ไหวอะไปธาตุมันอ่อนอะ มันก็เลยปวดท้องขึ้นมาอย่างแรงนอนริ้นกิ้งเกลือไปมาผลสุดท้ายก็ตายเมื่อตายแล้วจิตของผู้นั้นนะ่ะตอนไปเพ่งอยู่ที่สุนัขแม่นั้นตัวนั้นนะ่ะจิตวิญญาณของชายคนนั้นก็เลยไปเข้าท้องสุนัขตัวนั้นเลย พอที้คลอดออกมามันก็เป็นตัวผู้เป็นลูกโทนตัวเดียวแต่ว่าคนเจ้าของบ้านนั้นเป็นคนใจบุญเมื่อเห็นแม่สุนัขตัวนั้นคลอดลูกมาเป็นตัวผู้ก็รั ก, รกมันมากเลี้ยงมันทะนุถนอมมันจนมันใหญ่ขึ้นมา อนนี้นายโควานนั่นน่ะเป็นผู้มีศรัทธาอุปถรัรมภะถาพระประเจกกระเพา์สมัยนั้นมีพระประเจกโพบาบังเกิดขึ้นในโลกนายโควานนั่นก็ไปนิมนต์พระประเจกกระโพาะนั้นมาฉันที่บ้านเพืาอในฐานะที่ท่านอยู่ในป่า แต่และ ว, วันก็ตื่นเช้ามาก็ไปแล้วไปนิมนต์ท่านมาบ้านไอ้เจ้าสุนักตัวนี้มันก็ติดตามไปไปจนว่าไปได้เห็นพระประเจรูญเจ้าจนมันยินดีกับพระนั่นมันเลื่อมใสพร ะ, ะบางวันก็ให้เจ้านี้ไปนิมนต์พระแทนมันก็ไป หาท่านมาบ้านมันเกิดเลื่อมใสพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นเน่เลื่อยมาวันนี้ออกพรรษาแล้วนายโคบานนิมนท์ท่านสันบนบ้านนั้นแล้วก็ถวายผ้าคู่หนึ่งเมื่อท่านให้ระให้พรเสร็จแล้ววันนี้ คราวนี้ท่านไม่เดินแล้วท่านเข้าชานะเหาะไปเลยสุนักตัวนั้นเห็นท่านเหาะไปไกลทีเดียวไปสู่เขาคันธมาสนุอาไลอาวรนพระผู้เป็นเจ้าองค์ น, นั้นน่ะมากอกแตกตายข้าที่มันยินดีเลื่อมใสใน พระเจเจคผู้ที่เจ้าผู้บริสุทธิ์ปดจดจากอาสวะกิเลสทั้งปวงนั่นมันก็ไปเกิดสวรรค์ไปไปบางเกิดสวรรค์มีน้ำว่าโคสกเทพพระบุตรเหตุที่จะมีน้ำอย่างนั้นก็เพราะเทบุทตตนนี่พูดขึ้นแต่ละทีนี่เสียงดังกลบ เมืองดาวดิงไปเลยเพราะอาณาสงฆ์ที่ได้เห่าหอนพระประเจกพระเจ้าท่านกล่าวไว้ได้ว่าเห่าหอนด้วยความยินดีเสียงดังกังวานไปทั่วเมืองดาวดิงทีเดียวนั่นนีเมื่อหมดบุญหมดอายุ จากสวรรค์สั้นดาวดิ้งมาเกิดในโลกนี้ก็มาเกิดในยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยเกิด่ปเกิดในตระกูลเศรษฐีบ้านี้อืมไม่ใช่เกิดในตระกูลเศรษฐีหรอกเกิดใน กับนางโสเพณีไปเกิดกับนางโสเพณีนางโสเพณีนี่เขาไม่ชอบลูกผู้ชายเขาชอบแต่ลูกผู้หญิงเขาว่าเลี้ยงใหญ่มาแล้วมันช่วยหาเลี้ยงร่วมกันส่วนลูกผู้ชายไม่มีประโยชน์อะไรเขาเห็นอย่างนั้นเขาจึงได้เอาไปทิ้งไว้กองขยะนอกบ้าน ทีนี้เศรษฐีมาเห็นเข้าก็เกิดสงสารเอนดูเลยเอาไปเลี้ยงไว้มา <c oughs> นี่ขันอยู่มานี่ภรรยาของเศรษฐีนะั่นก็ค้อดลูกมาเป็นผู้ชายเศรษฐีมาวิตกในใจว่าเจ้านี่บันลูกเลี้ยงงนะถ้ามันใหญ่ โตขึ้นมานี้เราก็จะต้องได้แบ่งสมบัติให้มันลูกชายเราก็จะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่เออเราถ้าจะต้องหาทางฆ่ามันเสียแล้วลูกเราจะได้รับสมมรดก ข, ของเราแต่ผู้เดียวเศรษฐีก็สั่งให้คนใช้เอาเด็กคนนี้ไป ไปวางไว้ปากอคอกวัว น, นั่นในตอนเช้าอ่ะบันนี้เมื่อเมื่อนายโคบานไปปล่อยโคออกมาจากอคอกอ้าวโคจาาฝูงนนะ่ะมัน เ, เดินออกมาเห็นเด็กคนนั้นแล้วมันก็ไปยืนครอบเด็กนั้นไว้เมื่อให้ฝุงวัวต่างๆเหล่านั้นมาเหยียบเด็กนั้น ให้วัวต่างๆออกไปให้หมดแล้วโคจาฝุงจึงตามหลังหมู่ไป เ, เด็กคนนั้นก็รอดตายไปท่านอยู่มาสั่งให้คนใช้เอาไปโยนทิ้งลงในหีวในเหีวนั้นผ่มีต้นไม้มีต้นไผ่มีเถาวันปกคุมต้นไผ่อยู่หนาแน่น อโยนลงไปเด็กคนนั้นก็ไปค้างอยู่บนเถาวันนั้นคนตัดไม้ไผ่ไปสารแต่ ก, ก้าไปเห็นเข้าวผดเอาเอาไปเลี้ยงไว้เศรษฐีก็ไปไถ เ, เอามาเอามาเลี้ยงไว้หนอนหนึ่งผสั่งให้คนใช้เอาไปทิ้งไว้ป่าชา้าในค้างนั้น <c oughs> แพะฝูงหนึ่งเที่ยวหากินไปในป่าชาแม่แพะตนนั้นไปเห็นเด็กนั้นเข้าประเกิดเอ็นดูให้น้มเด็กคนนั้นดูดเข้าไปหลายครั้งตัวหลายคราวจนว่าเด็กคนนั้นใหญ่ขึ้นมาเศรษฐีก็ฆ่าเด็กนั้นไม่ได้บ้านี้เศรษฐีนั้น คิดอุบายได้อย่างหนึ่งมีคนรู้จักกันอยู่บ้านนอกเป็นช่างตีหม้อปั้นหม้อก็เขียนจดหมายเขียนจดหมายรับให้ลูกเลี้ยงคนนั้นแหละถือไปให้ช่างหม้อ จดหมายรับนั่นว่ า, าสร้างหม้อที่รักเราสั่งให้เด็กคนนี้ถือหนังสือมาให้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเด็กคนนี้เนี่หมอเขาทำนายว่าเป็นคนกระคินีถ้าขืนเลี้ยงไว้ต่อไปนี่บ้านช่องอันนี้จะชิบหายหมด เพราะฉะนั้นขอให้ช่างหม้อนั้นจงจัดการฆ่าเด็กคนนี้ยัดเข้าในเตาเผาหม้อนั้นไปเสียเลยว่าฮันเมื่อหากว่าทำกิจเหล่านี้สำเร็จลงแล้วแจ้งข่าวให้ทราบด้วยเราจะให้รางวัลอย่างงามพอเขียนจนหมายนั้นเสร็จพับแล้ว ก็ให้ลูกชายลูกเลี้ยงคนนั่นแหละบอกว่าให้เอาหนังสือนี่ไปให้อันนายช่างหม้ออยู่บ้านนั่นนะบอกงั้นเด็กคนนั้นมันก็ไม่ได้เรียนหนังสือนี่เขาไม่ให้เรียนเนี่ยเอาเกลียดมันก็อ่านไม่ได้อะก็ถือจดหมายนั่นไป พอดีไอ้ผู้น้องชายเนะี่ยผู้ลูกเศรษฐีแท้ๆเปิดไปเล่นลูกคางพ น, นั้นเอาขนมกันกับเพื่อนวันนี้แกเล่นไม่ดีไม่เป็นก็ไปเสียขนมให้เขาหลายก้อนพอเห็นเจ้าพี่ชายนี่ไปถึงเขาก็ถามพี่ชายไปไหนวะเราจะเอาจดหมายไปให้ช่างหม้อ ที่บ้านนั่นแหละอ่ากันพ่อสั่งให้เอาไปอโอ้พี่พี่ไม่ต้องไปดอกน้องจะไปแทน <c oughs> ขอให้พี่เล่นลูกคางนี่แทนด้วยเพราะเรามันเสียขนมไปให้เขาหลายก้อนแล้วว่านันน้องจะเอาไปให้แทนผู้พี่ก็เพราะว่า ไม่ต้องหรอกเราไปเองเดี๋ยวพ่อจะดูเอาพ่อใช้เรานะพี่น้องชายก็ไม่ยอมไม่เป็นไรเราจะเอาไปให้เองในที่สุดเจ้าพี่ชายก็เลยมอบจดหมายน้องชายไปน้องชายก็เอาจดหมายนั้นไปให้หนายช่างหมอ้อส่วนพี่ชายก็เล่น ลูกครังแทนลูกพี่ชายนี่มันเล่นเก่งนี่เล่นที่ได้ชนะเพื่อนทุกทีไฟนกชายนั่นถือจดหมายนั่นไปให้ช่างหม้อช่างหม้อม อ, อ่านดูแล้วช่างหม้อก็ต้องทาตา ม, ามนายสั่งแล้วแับนี้นะช่างหม้อก็ฆ่าเด็กคนนั้นยัดเข้าเ ต, า เ, ตาเผาหม้อ ตายไปเลยมันนี้เจ้าพี่ชายนี่ก็เล่นลูกข่างจนเหนื่อยเอาชนะหมู่เอาชนะเล้วเอาชนะเล่าอยุดก็ไม่เห็นน้องชายกลับมามันนี้ก็จำเป็นก็เลยกลับบ้านไปพอไปถึงบ้านเศรษฐีเห็นเข้าแล้วก็ถามว่าอ้าวน้องชายก็ไปไหนแล้วงั้น น้องชายนั่นเขารับอาสาเอาจดหมายจากผมไปส่งให้ในายช่างม่อแทนเพราะเขาเล่นการพนันกับเพื่อนน้มันเสียขอให้ผมเล่นแทนขอพ่อได้ฟังเท่านั้นแหละก็เสียใจอย่างแรงร้องหหมร้องให้นั่นเลยว่ากรรมสนองกรรม อยากให้เขาตายเขากลับไม่ตายลูกตัวไปตายแทนหรือว่าเด็กคนนี้มันมีทั้งบุญทั้งบาปที่ทำมาแต่ก่อนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอันบุญรักษามันไว้ก็เพราะว่าตอนมันเป็นสุนัขนั่นแนะ่ะมันไปได้ทำความยินดีเลื่อมใส กับพระประเจกคุทธเจ้าอา น, นิสงอันนั้นแหละสรงให้เกิดเป็นเทวบุตรพอจุติจากเทวบุตรลงมาเอามาใช้กรรมแบบนี้นะกรรมที่ได้เอาลูกไปทิ้งในป่านั่นนะมันกับบันดาลให้เศรษฐีวางแผนให้คนใช้เอาไปทิ้งหลายครั้งหลายหนนะแต่ว่าบุญที่ เขาเริ่มไถนับถือพระประเจด้วยเจ้ามันแรงกลัวมันก็เลยเอาชนะบาปอันนั้นได้ในที่สุดลูกชายเศรษฐีเองก็หนีไปตายภายหลังมาเจ้าเจ้านี้ก็เลยได้ได้เป็นเศรษฐีแทนบิดาป่ะนี้นั่นไงได้รับมรดกของเศรษฐีไปเลยเลยได้นามว่าโคศกเศรษฐี พระพุทธเจ้าวังเกิดขึ้นในโลกสเสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีนั่นแหล ะ, ะเศรษฐีนี่ได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าวัดหนึ่งเรียกว่าวัดโคสิตาราม มีอยู่ในเมืองโกสัมพีนั่นแล้วเศรษฐีอื่นๆได้ฟังเทพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุโสดาบันละพากันสร้างวัดอถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์กันรู้มันมีเศรษฐีทั้งสี่คนน่ะในครั้งนั้นน่ะได้สร้างวัดขึ้นในเมืองโกสัมพีนั่น เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอันนี้ที่ยกเรื่องราวของบุคคลมาเล่าสู่กันฟังนี่นะเพื่อที่จะให้รู้ว่าคนเราเนะี่ะทำทั้งบุญทั้งบาปมันก็ได้เสวยผลทั้งสองอย่างถึงคราวใดบุญกุศลให้ผล ขาวนั้นก็มีความสุขความเจริญไปคราวใดบาปกรรมมันให้ผลขาวนั้นก็ได้ไปสุกกับความทุกข์ทนทรมานไปแต่ถ้าบุญมีอำนาจมากกว่าบาปอา้าวบุญก็เอาชนะบาปไปได้ในที่สุดจ้ะแต่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญอย่างนี้บาปมันก็เอาชนะบุญไป มันก็ให้ผลทนทุกทรมานไปนานเนี่ยไปอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดสร้างบุญกุศลมากกว่าการทำบาปอย่างนี้บุญกุศลมันมีอำนาจเหนือบาปไปได้ในที่สุดบาปมันก็ระงับไปได้ภายหลังมามันให้ผลไปพอสมควรแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วมัน อำนาจของบุญมันก็ขจัดบาปนั้นผลของบาปอันนั้นให้ดับไปผู้นั้นก็พ้นจากบาปเหล่านั้นได้อย่างโคโศกเศษฐีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหะบาปมันให้ผลเข้าไปมันหมดเขตของบาปอันนั้นแล้วบุญให้ผลก็เลยได้เป็นเศรษฐีได้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาสำเร็จมรรคผลทำมวิเศษได้ ได้เป็นกำลังใหญ่ของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการบําเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารเนี่ยจำเป็นจะต้องภาคเพียนพยายาม บำเพ็ญให้เป็นไปบุคคลผู้ไม่รักษาจิตใจตัวเองก็เหมือนอย่างชายคนดังกล่าวมาเบื้องต้นนั่นแหละไปเห็นแม่สุนัขเห็นว่ามันได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ไปส่งใจไปจดจ่อยินดีกับมันอยู่อย่างนี้ละ ความยินดีนั้นไม่ได้ละความจำมันนั้นไม่ได้เมื่อเวลาตายลงจิตนี้มันก็ไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันไปผูกพันอยู่กับแม่สุนัขตัวนั้นจำเป็นก็ต้องได้ไปเกิดกับแม่สุนัขตัวนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่เพื่อให้เป็นคติทำประจําใจทุกคน ว่าต้องพยายามฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในให้ได้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรั n นไกลตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลที่ตนกระทามาถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ทมข้อวัดปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้น สำรวมศีลสำรวมพระปาติโมกไม่ล่วงศีลไม่ล่วงวินัยมุนีก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทายกทายิกาทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ได้มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละ เริ่มแต่การให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นทานเอาหล่ะมาตลอดมาในรักษาศีลสำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงสิขาบทที่ตนสมทานมาแล้วนี่การรักษาศีลไม่ใช่ไม่ได้บุญนะได้บุญหลายกลัวให้ทานนั้นไปอีกเพราะว่าเป็นการทําได้ยากผู้ใดทําได้เราได้บุญมากทีเดียว ถ้าได้ฟังธรรมได้ภาวนาจเจริญสมาธิได้จเจริญปัญญาเข้าไปยิ่งได้บุญหลายบุญอันใดมันจะสูงเท่าการตั้งสมาธิภาวนาเนี่ยไม่มีเพราะว่าท่านพูทธิได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปนั้นส่วนมากก็ได้ บรรลุได้ด้วยนะการนั่งสมาธิภาวนาการสำรวมจิตฝึกจิตให้เข้ามาตั้งอยู่ภายในนี่เองนะจึงจะบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่คิดว่าจะน้มสติสัมปชัญญะเข้ามาภายในกายภายในใจนี่มาควบคุมจิตนี้ ให้ตั้งมั่นอยู่แล้วผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าใจที่มันคิดส่งออกไปข้างนอกนั่นมันมีทั้งไปเจอเรื่องดีเรื่องชั่วเข้าอถ้าไปเจอเรื่องชั่วเข้าจิตก็เป็นอกุศลไปเช่นถ้าคิดไปเห็นบุคคลที่ ตนเกลียดชังมาแต่ก่อนอย่างนี้มันก็เกิดความเกลียดชังอย่างรุนแรงขึ้นมาอย่างนี้แหละ ด, ดังที่อธิบายมาตอนโทนนั่นแหละถ้าไปเจอคิดไปส่งไปเจอคนที่ตนรักใคร่พอใจก็เกิดความรักขึ้นมาอย่างรุนแรงระ ง, งับความรักความโกรธเหล่านี้ไม่ได้มันก็ไปทำบาปถึงกับฆ่ากันตายมูนั่ น, น่ง แย่งของรักกันนะมีอยู่ถมไปเดี๋ยวไปรักไปช่อไปโกงไปจี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมนู่นี้มันล้วนแต่เกิดจากความบุคคลไม่สำรวมใจไม่ฝึกใจให้สงบนี้ทั้งนั้นแหละผู้ที่จะให้ทานไม่ได้ก็เพราะไม่ทำใจให้สงบละความตณีความหวงเห็นไม่ได้ ส่งแต่ใจไปผูกพันอยู่กับเข่าของเงินทองจึงให้ทานไม่ได้ผู้รักษาศีลไม่ได้ก็เพราะปล่อยจิตไปให้มันไปโกรธคนโน้นคนนี้ปล่อยจิตไปให้มันอยากกินเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นนะเป็นอาหารอันอเอร็ดอร่อยมนี้นระับ อ่อยใจให้ความอยากครอบงมจิตใจนี่ในเรื่องอาหารการกินบางค น, นไม่ได้กินอาหารดีๆ อ, อยู่ไม่ได้เรือดร้อนต้องไปหาค่าจัด ต, ตัดชีวิตมาปรุงอาหารกินกันนี่ทำบาเพราะความอยากเพราะไม่สำรวมจิตทั้งนั้นแหละผู้ไปประพฤต ผิดมิดฉาจารกรรมไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นโมนี้มันก็โทษที่ไม่สำรวมจิตปล่อยให้ตันหามันครอบงำเอาอย่างรุนแรงทันหานี่มันก็บรรดานให้ดิ่นลนไปแสเวงหากามอาคุณในทางเป็นบาปเป็นโทษดังกล่าวมานั้นบุคคล จะพูดเท็จพูดโกโหกพกกลมต่างนั้นนะก็เพราะอยากได้ของคนอื่นเขาเอาเป็นของตนแล้วก็คิดวางแผนไปพูดหวานร้อมให้เขาหลงเชื่อให้เขาให้ตนกู้เงินยืมทองอะไรไปแล้วก็ไปกู้ยืมแบบไม่มีสัญญมสัญญาเพราะไปหลอกคนโง่เขา กู้แล้วก็ไม่ใช้เขาเขาฟ้องร้องเอาก็ไม่ได้อันมูนี้มันก็เกิดจากความอยากของจิตใจนั่แหละมันถึงได้ใช้วาจาไปพูดโกหกกลอกลวงเอาสมบัติของคนอื่นเขามาเป็นของตนบุคคลผู้ที่ชอบส่องเสพของเสพติดโทษ ต, ต่างๆเช่นสุรายาเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีน ต่างๆหมู่นี้ที่บุคคลจะไปติดพันกับของเสพติดเหล่านี้ก็เพราะไม่สำรวมจิตไม่ฝึกจิตให้สงบรู้อำนาจแก่ความอยากคือตัณหาไม่ระงับจิตจากความอยากปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆดั ง, ง, งกล่าวมานี่ให้มากขึ้นในจิตใจทั้งนั้นแหละ มันถึงได้กลายเป็นคนติดของเสพติดให้โทษในโลกนี้ชีวิตของผู้นั้นก็อับเฉาลงไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่ลองพากันพิจารณาดูโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี่รวมความลงแล้วจะว่ามนกลายเป็นคนชั่วช้าเร็วซามไปตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้เลยถ้าเป็น ครึหัดผู้ครองเรือนก็ดีถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้จะต้องเป็นผู้เป็นพระทุศิลทุธรรมไปละถ้าขืนอยู่ไปในภาษาศาสนานี่ก็ดีหรือมิฉะนั้นก็อยู่ในเพศพรหมจรรย์ น, นี้ไปไม่ได้นานสนะึก ไปแสวงหาสิ่งที่ตนอยากได้นั้นเพราะถ้าเป็นพระเป็นเจ้าอยู่นี่มันมีวินัยบังคับอยู่มันจะไปสวงหาสิ่งที่ตนต้องการนั้นไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปไปแสวงหาเอาไม่ได้ทางสุจริตก็เอาทางสุจริตก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปมูนี่นะพอจะมองเห็นได้แล้วไม่ใช่เหรือว่า การฝึกขนอารมณ์จิตที่เป็นความดีจริงๆเพราะว่าในชีวิตของคนเรานี่นะมีจิตนี้เป็นใหญ่เป็นประธานอะไรอะไรก็สำเร็จแล้วด้วยใจเท่านั้นแหละจะทำดีก็เพราะว่าใจดีเมื่อปรับปรุงใจให้ดีแล้วมันก็ใช้กายทำดีพูดดีไปบุคคลจะทำชั่ว ก็เพราะว่าไม่รักษาใจไม่ฝึกผนใจนี้ให้ดีปล่อยให้กิเลสตัณหามันครอบงำดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมันดึงได้ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วสะสมบาป ก, กรรมใส่ตัวเองไปผลแห่งที่จะได้รับก็คือความทุกข์ทนทรมานแม้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์ เป็นคนทุกข์เป็นคนจนเพราะว่าเงินทองหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลือเอาไปใช้จ่ายบำรุงบำเรอกามคุณเสียหมดเช่นนี้แล้วจะไม่กลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปยังไงได้เกิดอยู่ในโลกนี้เมื่อล่าโลกนี้แล้วกรรมชั่วที่บุคคลผู้นั้นทไว้มันก็ ถุดคล้าไปสู่นรกอาบายภูมิมกระทนทุกทรมานอยู่นานแสนนานนี่โทษแห่งความไม่ฝึกขนอบรมจิตใจนี่มันมากมายเหลือเกินแหละเรียก ว, ว่าสามารถให้บุคคลเรากระทำความชั่วตั้งแต่อย่างต่ำๆนี่จนไปถึงอย่างสูงสุดนั่นแหละ สูงสุดอนันทริยกรรมมีข่าพ่อข่าแม่ข่าพระอระหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโอหิฏ ย, ยห้อขึ้นไปทำสงให้แตกจากกันนั่นเป็นกรรมชั่วอย่างนักที่เดียวสุดนั่นแหละเรื่องบาปกรรมแล้วนะไม่เลยนั้นไปเลยจิตใจนี้ถ้าไม่ฝึกฝน ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในคำสอนของผู้โดยเจ้านี่แน่นอนแหละมันจะต้องได้ทำบาปกรรมไม่มากก็น้อยติดตัวไปเพราะฉะนั้นเมื่อผูใ้ใดทราบอย่างนี้แล้วให้พึ่งพากันสำรวมจิตใจฝึ ก, ก จ, จิตใจเพ่งใจของตนให้สงบลงไป